มักตัดผลของเขาเนี่ยแหละอันนี้ขอให้พวกเราเข้าใจนะคือพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีเหตุซะก่อนจะค่อยมีผลในเมื่อพระองค์บัญญัติแล้วต่อพวกเราเ็บวชในพรรษาทวักกุลบุตรที่จะบวชจะดำรงทรงศาสนากรบบวชหรือเราก็บวชได้นี่แหละคืออันนี้คือเป็นความเป็นมาของวินัยวินัย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 พระสงฆ์ทั้งหลายก็จะมารวมกันที่ศาลาหลังนี้เพาราะศาลาเนี้เป็นโบสถ์นะแทนโบสถ์ได้ทุกอย่างพรอมีหลักวิสุงคามสีหมายอย่างพวกเราเห็นทางหน้าเนะี่ยศาลาหลังนี้แทนโบสถ์ได้ทําสังฆ ก, กรรมทำทำสังฆ ก, กรรมได้ทุกอย่างจากนั้นเมื่อตอนเย็นก็พระสงฆ์ก็จะขึ้นมาไหว้พระธรำวัดเสร็จแล้วก็ทําความเข้าใจกันว่าวันนี้เป็นวันปรารณาออกพรรษา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 ครั้งแรกดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเห็นเราตถาคตทำอะไรคิดพูดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องขอพระสงฆ์จงบอกกล่าวเราตถาคตได้เราตระเราตระภาว า, านี่พะพระมหาพระสารีบุตรที่เป็นอัครสาวกท่านประคองอัญชลีคลา ย, า ย, ายวับนงกุ้เขา้าปนมือยกมือสุดสุ ด, สดโอพ้พระพุทธองค์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 แล้วก็พูดปรวรณาพร้อมกันพราะพราเยอะนะแล้วก็พรรษาที่เท่านั้นพันษา20พูดพร้อมกันพันษาสี่เกพูดพร้อมกันบันที่18พูดพร้อมกันบันที่17พูดพร้อมกันลักษณะอย่างนั้นะไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ถ้ามันน้อยอย่างวัดของเราส40ี่สองค์หลวงพ่อจะเรียงองเป็นองค์อค์ไปหลวงพ่อพูดพูดจบแล้วองค์ที่สองก็พูดปรณา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 อา้าวท่านชี้แจงแปลว่ามตินั้นแปลว่าตกเลยนะที่ที่ที่ลงมติขนาดตกตกไปก่อนยุบไปก่อนเอาท่านชี้แจงอพอท่านชี้แจงปูปุปะปะเอ่อไม่เป็นตุเป็นตาคล้ายๆกับคัดค้านแบบไม่มีเหตุไม่มีผลสงทั้งหลายก็นั่งฟังพอนั่งฟังเสร็จล้วสวนประกาศท่านอย่าพูดอย่างนี้อีกต่อไปนะ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 เลยพรามทั้งหลายมันไปขอรบกวนพระเวชชันดอ น, นางมัตชีแล้วเนี่ยข้าจะไม่ให้ชีวิตตะแก่แล้วต่างพรามคนนี้กับโกหกได้ใช่ไมไอ้เนียพานเ ธ, เธอรู้ไหมเนี่ยข้าข้าเนี่เป็นใครเนี่ข้าเป็นนำสารของพระเจ้าแผ่นดินนะมาส่งให้พระเวชชันดร น, นะถ้าเธอข้าข้าข้ า, ขานั่นแหะเธอต้อง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 โค้งแล้วโค้งอีกว่างั้นโอ้โหนำพระราชสารไปให้พระเจ้าแผ่นดินพระเวทชันดอนที่แท้เนียมันาพามชูชกโกหกว่างั้นนะเนี่ยทำไมจึงโกหกได้ในพระวิทยธรรมคำสอนเขบอวกว่ามันบา ร, รมีมันต่างกันคือชูชคเนี่ยจะได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจา้านายนายพานเจตบุตรเนี่ยจะได้เป็นพระสาวกพวกที่มี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 ก่อนที่จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมากันนี่ยและเราเนี่เป็นผู้นําพระพุทธเจ้าไปบวชอ้างอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจนวาระสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะปรินิพานาได้สั่งเสียพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานแล้วให้พวกเธอลงพรมธันฉันนะนะเมื่อเราอยู่ที่ไม่ฟังหรอก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 มาไปชมพร้อมกันแล้วก็สวดยติประกาศประกาศว่านี่นะต่อไปนี่นะเมื่อพระธองค์ก่อนจะป น, นิพพานพระพองค์ได้สั่งเสียว่าให้ลงพรมทานกับชนะการลงพมทานนั้นทั้งทำดั ง, ง, งต่อไปนี้คือพระสงฆ์ทั้งหลายเรียกพระชนะเข้ามาในกลุ่มสงฆ์แล้วก็ประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระสงฆ์ทั้งหลายท่านชนะ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 ให้เป็นอิสระใครจะไปยืนคุยด้วยใครจะไปนั่งฉันด้วยไปร่วมสังฆกรรมด้วยให้ชนะเป็นอิสระจะทำจะไดจะพูดอะไรตามสบายนะขอให้สงฆ์ทั้งหลายรับทราบท่วนหน้ากันใ น, นเมื่อพระชนะนไม่มีหมู่จะทำยังไงล่ะ